ท่านผู้ฟังที่เคารพคะท่านกลังฟังรายการสัมมนีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าว106แห่งนี้นะคะเราได้ฟังพระสูตรจากพระมาร์กชาควโรผ่านไปตอนนี้ก็มาเป็นเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะนำเรื่องทั้งปวงมาถามท่าอาจารย์ไพบูลนะคะว่ามีคำตอบ อยู่ในพุทธวจนะหรือเอาพุทธวจนะมาปรับประยุกต์เพื่อที่จะตอบคําถามซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยแต่มองแบบธรรมเห็นอย่างไรกับท่านนะคะเราไปพบกับพระภัยบุ์อภิปุณโววัดป่าดอนหายโศอุดรธานีกราบนมัสการกันท่านคะเชิญพา น, นช่วงนี้ที่วัดมีปฏิบัติธรรมไหมคะอะก็จะเริ่มวันที่สิบเอ็ดถึงสิบเก้าสิงหาคม อ, คอ๋อค่ะก็เหลืออีกห้าวันได้ตอนนี้ก็เตรียมการกันละ แต่ว่าคราวนี้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ลเล่นเก่านะคือที่จะมาลเล่นอย่างน้อยสองครั้งละครั้งหนึ่งล ะ, ะเพรา ะ, ะนั้นครั้จะเรียกว่าความเข้มข้นของเนื้อหาก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่ า, าคือตารางเวลาที่วัดปลาดอนไหโสงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วน ะ, ะที่คุณย่มติวเคยไปมาตัว น, นี้เข้มกว่เาเดิมนนึกไม่ออกว่าจะเข้มยังไงเลยนะ่เข้มเข้มในเรื่องของเวลาก็จะเท่าเดิมนั่นแหละคือมันจะไปบีบให้มันหนักกว่าเดิมก็คงไม่ได้ แต่ว่าเนื้อหาที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยคือเนื่องจากว่าในหลักสูตรปกติเนี่ยเอ่อมันก็มีเวลาจํากัดเราก็จะเอาที่สำคัญสําคัญใส่ใสให้ไปก่อนนะทีนี้ เ, เรื่องที่เราว่ามีความสําคัญเหมือนกันแต่เวลาไม่พอเราก็จะมารวบรวมให้ฟังในหลักสูตรเฉพาะสําหรับคนเก่านี้ด้วยเพิ่มเติมขึ้นไปค่ะอขออนุ ญ, ญาตถามต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าก็เหมือนกับว่าถ้าพูดถึงขึ้นชั้นเนี่ยมีถึงสามชั้นแล้วนะคะคือชั้นแรก เป็นชั้นพื้นฐานทั่วไปที่จะเปิดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีรับผู้เก่ามาหนึ่งขั้นละ uh huh. ขณะนี้กำลังจะรับเพิ่มไปจากผู้เก่าเดิมที่ได้มาทบทวนบทเรียนขั้นที่สองตอนนี้ก็มาถึงขึ้นปสามอย่างเงี้ยถูกไหมคะคือจริงๆแล้วมันก็จะคือคือไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นขึ้นแบบขึ้นไปอีกอะน ะ, ะเป็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนเก่าเนี่ยจะไปหลักสูตรปกติก็ได้ก็เหมือนกัน ทีนี้ที่ความแตกต่างที่ทําเนี่ยเพราะว่าเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะให้คนใหม่มามากกว่าคนเก่าเพื่อที่จะเวลาคนเก่ามาเราก็จะบอกเออให้โอกากคนใหม่บ้างเพราะว่าที่ไม่พอเนี่ยก็เลยต้องเปิดอีกหลักสูตรหนึ่งที่สําหรับคนเก่าโดยเฉพาะทีนี้พอเรียกเข้ามาแล้วเนี่ยสําหรับคนเก่าโดยเฉพาะก็ต้องให้ฟังเนื้อหาที่แตกต่างกันไปบ้างก็เลยรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้จริงๆทำมาุัวใจแค่บทเดียวแล้วก็ทราบซึ้งได้เลยรู้ได้เหมือนกันอ๋อค่ะ ดังนั้นใครที่ยังไม่เคยที่จะปฏิบัติมากไปกว่าครั้งที่หนึ่งก็ไม่ต้องตกใจหรือบางคนคิดว่าตัวเองมีพื้นฐานแล้วก็เลยบอกไม่เอาละไม่ขอปฏิบัติร่วมกับผู้ที่เพิ่งมาละจะขอขึ้นชั้นสองชั้นสามเลยได้คำตอบแล้วใช่ไหมคัใช่ใช่นะคะท่านขึ้นเหนื่อยมากสิคะเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการพอสมควรสำหรับสห ร, รับหลักสูตรทนี้ส่วนที่วัดช่วงเวลาเข้าพรรษา หรือว่าอาสาหะที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะก็มีชาวบ้านแล้วก็มาจากหลายที่เหมือนกันมามาทาบุญน่ะนะงฟังธรรมด้วยหลวงพ่อพิะให้ฟังแล้วก็มีการนั่งสมาธิมีการอ่านพุทธวจนะให้ฟังก็เหมือนปกติแต่นี้ก็คนมาเยอะเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองค่ะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศลงจินตนาการไปถึงวัดปาดอนหายโศ ที่ท่านไปบูรณภิปุณโญอยู่นะคะเป็นวัดสงบสงบอยู่ที่อำเภอหนองหานมีต้นไม้เยอะมีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนเดือนละอย่างต่ำหนึ่งครั้งสม่ำเสมอประธานโทษนะคะตอนนี้หลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดท่านจะอาวาสเป็นอย่างไรบ้างคะท่านก็สบายดีในช่วงปัญษาเนี่ยก็จะมี อ, อ, อุบาสิกาขออุบาศกเนี่ยมาถือศีลที่วัดในทุกวันพระ ดังก็จ ะ, ะมีการสวดมนต์ทำวัดกันมารวมกันเป็นหมู่ๆคือโดยปกตินอกพรรษาเนี่ยก็จะทําใครทํามันอยู่ที่กุฏิทีนี้นนพออยู่ในพรรษาก็เลยมาทําร่วมกันตอนเช้าตอนเย็นก็จะมีภารกิจพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอเคค่ะท่านไปบูญค่ะเตัอนเองเนี่ยมีเรื่องแบบเป็นเรื่ออะไรจริงๆก็ไม่ควรมาถามพระแต่แม่ไม่ถามก็ไม่มีเรื่องตื่นเต้นเลยในรายการอ โอลิมปิกที่เปิดตัวไปเนี่ยคะ่ะเยนวันก็มีการพูดถึงว่าสงสัยจะมีมนุษย์ต่างดาวมา ม, มีภาพปรากฏในวิดีโอขณะที่บันทึกไว้รูปร่างเป็นคล้ายๆจานบินที่เราเคยเห็นกันบางคนเขาก็ว่าไม่ใช่ในครั้งพูธการเนี่ยมีการพูดถึงดวงดาวเป็นโลกและดาวอื่นไหมแล้วก็มีการพูดถึงว่ามีมนุษย์ อื่นนอกไปจากโลกใบนี้หรือไม่ใชคะมีะ ม, มีมีคนไปถามพระพุทธเจ้าเลยคําถามเหล่านี้นะว่าอโลกอื่นมีไหมโลกอื่นเป็นยังไงตายแล้วไปไหนคําถามพวกนี้นะค่ะก็ได้รับคําตอบจากพระพุทธเจ้าบอกว่าคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่เราไม่ตอบอ <c oughs> คือเราไม่ตอบคําถามพวกนี้ทําไมเพราะว่าตอบไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นไปเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อการไหนทุกความใคร่กนัรความดับความระงรั บ, ค ว, บความรู้ยิง่งความรู้พรำและนิพานจึงไม่ตอบ นะต่อไปก็เท่านั้นคืออันนี้เป็นคําถามที่ดาดเดืนอยู่แล้วในในสมัยอินเดียอินเดียสมัยโบราณเนี่ยเขามองขึ้นไปบนฟ้าก็ เ, าเห็นดวงจันทร์เอ๊ะมันจะมีตัวอะไรหรือใครอยู่บนดวงดาวนั้นไหมยอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็เลยไปถามพระเจ้านี่เป็นหนึ่งใน10คําถามยอดทิตในสมัยโบราณเป็นทิฏฐิ10ประการนะที่ที่พระเจ้าบอกว่าเอี ย, อยไปยุ่งกับพวกนี้เลยเหมือนกับเหมือน ก, กับการที่เราจะ เาถูกลูกศรยิงอยู่นะคุณโยมติ๋เราถูกลูกศรแทงเข้าที่อกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยไปหาหมอมารักษาเราพอหาหมอมารักษาเสร็จปุ๊บคนที่ถูกแทงนะบอกว่าโอ๊ยอย่าเพึ่งเลยหมอช่วยไปถามก่อนได้ไหมว่าไอคนที่มันยิงเนี่ยมันเป็นใครกันแน่มันเป็นลูกใครมันมีเหตุอะไรมายิงเราแล้วธนูที่ใช้ยิงเนี่ยเป็นชนิดไหนคือพอยิงเข้าไปแล้วเนี่ยธนูมันหักแล้วไงธ<ะ>นูมันหักแล้วเหลือแต่ลูกศรเข้าไปปักอยู่ในอกเราเนี่ย เขจะต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจเนี่ยดูว่าลูกศรอยู่ตรงไหนใช่ไหมค่ะทีนี้ไอ้ตัวลูกธนูที่มันหักไปเนี่ยมันเป็นชนิดไหนมันทําจากไม้อะไรนะหางของมันเป็นยังไงหางลูกธนูเนี่ยนะเป็นขนนกอะไรตัวเกาวทันนี่ตัวหน้าไม้เป็นชนิดหน้าไม้หรือเกาวทันหรือเป็นธนูแบบไหนใช้ไม้อะไรทําไปหาข้อมูลเนี่ยตายเปล่าคุณยมติวตให้ชีวิตพอดอีต่อให้เรารู้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงอสมมุติว่ามีจริงสมมุติว่ามีจริง นะมันก็เราก็ถือศีลได้อยู่ดีเราก็ยังนั่งสมาธิได้อยู่ดีแล้วเราก็ยังปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานได้อยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะไม่มีจริงอะสมมติมันไม่มีจริงนะเราก็ยังถือศีลได้อยู่ดีปฏิบัติสมาธิได้อยู่ดีบรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่ดีเพราะนั้นเป็นคําถามที่ไม่มีประโยชน์ตอบไปแล้วก็ไม่เป็นไปเบื้องต้นแห่งความหน่ายทุกความกลายกำหนับพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ได้พยากรณ์แล้วพรทธเจ้าตอบคาถามเรื่องอะไรพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ ก็ตอบคาถามเฉพาะเรื่องที่เป็นไปเพื่อความาหน่ายทุกความใครายกำหนัดความดับความนินพนธานนั่นคือเรื่องของอริย ส, สัจสีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามาถามว่าเออมนุนุตังดา ม, มีไหมอาตมาก็ต้องตอบแบบพระพุทาว่าว่าเออเป็นคือจะจะพูดจะพูดก็คือว่าเออมันอาจจะมีก็ได้มันอาจจะไม่มีก็ได้น ะ, ะ, ะมันอาจจะมีอาจจะไม่มีก็ได้เราก็สบายใจอยู่แล้วถ้าเรามีศีล ในถ้าเรามีสมาธิเรามีปัญญาเราก็สบายใจอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลนี่ไม่ฟันธงเพราะ<อ>ไม่เห็นประโยชน์ใช่ผู้ชายอาจะจะมีก็ได้หลีกเลี่ยงใช่ท่านคะแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดบนหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ทราบว่าจะตอบด้วยคําตอบเดียวกันหรือไม่ทีนี้เป็นเรื่องของเปรดค่ะอืมซึ่งมีผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้เลยนะคะบอกว่าปฏิบัติไปก็ เจอเปรตออกมาจากต้นไม้ชื่อต้นว่าอายุเป็นร้อยปียืนสูงเท่ากับต้นว่าเลยเจอตั้งหลายครั้งแล้วก็ยังพูดถึงตารวจแถวนั้นเนี่ยก็เคยเจอหลายครั้งวิ่งกันกระเจิดกระเจอเหมือนกันแล้วเปรตเนี่ยเข้าข่ายเวลาคำถามสิบคำถามยอดทิตไปถามพระพุทธองค์หรือเปล่าคะอันนี้มีมีภิกษุคือท่านพระหมหาโมคลานานี่แหละไหนเห็น สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่รูปร่างแบบลักษณะอย่างที่คุณยมติอุบูดเนี่ยนะก็เลยไปถามพระพุทธเจาว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าท่านพระมหาโมคลานะเห็นได้ด้วยตาทิพย์ของตัวเองนะก็เป็นเป็นคือเป็นเห็นเองอ่ะไม่ได้นึกเอาเองเห็นเห็นด้วยความสามารถพิเศษไม่ได้นึกเอาเองก็เลยไปถามพระพุทธเจาพระุทธเจ้าก็เลยบอกโอ้ดีแล้วมีคนมายืนยันสิ่งที่เราเห็นคือไม่ใช่ว่าเธอไม่เห็นเธอเธอเห็นคนเดียวเราก็เห็นเหมือนกันแต่เราเห็นแล้วเราไม่ได้พูดดีล้ที่เธอมายืนยันว่า มันมีอยู่ยืนยันคําที่เราจะพูดต่อไปนี้พระเจ้าก็อธิบายเลยว่า เ, ออเปรตมีกี่แบบนะตัวแต่ละตัวแบบแต่ละแบบเป็นยังไงมีบุพกรรมอะไรทําอะไรมาจึงเกิดมาเป็นอย่างนี้อายุเท่าไหร่มีอาหารอะไรนะมีชีวิตแบบยังไงนะก็อธิบายหมดเลยอย่างมากตรงนี <c oughs> นะ้ก็อธิบายเป็นขั้นไปตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดาชั้นต่างๆอธิบายหมดเลยนะเพราะว่า <c oughs> เรื่องนี้ถ้าไม่มีคนมารับรองคําพูดของพระเจ้าเนี่ย เขาจะหาว่าเอ๊พู้ดเดื่องอะไรอย่างคนที่เห็นเปรตอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนมารับรองคำพูดเขาพูดจริงเนี่ยคนหนึ่งก็จะเห็นว่าบ้าให้หมอหนี้บ้าบ้าแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีจริงก็คุณไม่เห็นนะ่ะแต่ถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งเห็นด้วยตาพิเศษใช่ไหมแล้วเขากร็รับรองสิ่งนั้นอันนี้ก็พอจะฟังขึ้นหน่อยอจริงๆตรงนี้เป็นหลักการที่พระเจ้าจะพยากรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคุณยมติวเป็นหลักการที่ว่าผู้ที่ฟังคําตอบเนี่ย ต้องตรวจสอบได้ด้วยสมมุติว่ามีท่านผู้ฟังมาถามพระธรรมมาว่าชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอะไรมีท่านผู้ฟังไปถามพระพุทธเจ้าแล้วกันว่าอชาติที่แล้วจะไปขอให้พระพุทธเจ้าตอบว่าอชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอชาติที่แล้วเธอเกิดเป็นช้างแล้วถามว่าเธอมีญาณอย่างรู้อดีตไหมถ้าเธอไม่มีญาณอย่างรู้อดีตตรวจสอบได้ว่าชาติที่แล้วเธอเกิดเป็นช้างจริงๆเนี่ย บทสนทนาของเราเนี่ยไม่ไ ม, ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเธอไม่สามารถตรวจสอบคําพูดของเราได้แต่ถ้าเธอมีญาณอย่างรู้อดีตนได้กี่ชาติละ่ละในพุทธเจ้าก็จะพูดประมาณเท่านั้นชาติเพื่อที่ให้เธอตรวจสอบได้แต่เพราะฉะนั้นธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยจึงเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนตรวจสอบได้เชิญเข้ามาพิสูจน์อย่างเช่นพุทธเจ้าบอกว่าอ่ามีภาษาและจะมีเวทนานะใครๆครก็รรตรวจสอบได้นะคุณยมติวใครใครก็ตรวจสอบได้เพราะนั้นพุทธเจ้าจะพูดสิ่งที่เราตรวจสอบได้ นะถ้าเราเราตรวจสอบสิ่งนั้นได้เช่นคุณสามารถตรวจสอบว่าเปรตมีคุณไปดูเห็นปุ๊บโอโอเคเอบทสนทนาตรงนี้จะเกิดประโยชน์นะเรายืนยันคําเห็นนั้นไดนะ้เราเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได้แต่ถ้าเราตรวจสอบไม่ได้มันก็มันก็จะมีประโยชน์น้อยนะในความเห็นธรรม <'Kay. S 1> นะจะมองในแง่มุมธรรมะว่าเออมันมันมีอยู่จริงเป็นสัตว์ที่ศึกษาจากคาสอนพระเจ้ชชาแล้ชชวพระเจ้าบอกเป็นอย่างนี้ อ๋อมีกรรมมาเป็นอย่างนี้โอ๊ยไม่ดีเลยมีอาหารก็น้อยแยกจังเราก็พยายามที่จะหลีกหนีจากการกระทําลักษณะที่จะให้ไปเป็นเปรตอย่างเงี้ยอืมก็เป็นมองเป็นธรรมะได้นะค่ะทีนี้อถ้าจะถามต่อไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าบางคนทําไมถึงมีโอกาสเห็นแต่บางคนทําไมถึงไม่เห็นคนที่ไม่เห็นเนี่ยในขณะที่ก็ไม่ค่อยเชื่อคนที่เห็นแต่ขณะเดียวกันถ้าบอกพิสูจน์ให้เห็นไหมก็ไม่อยากเห็น <laughs> แล้วเขามาทำสมมุติมีจริงอะนะคะพี่ที่ว่าพูดอย่างเนี้ยก็แปลว่ามีจริงแล้วล่ะมีจริงก็งพูดตามบุริษเจ้านะมาไมอะะท่านคะเอา้ามันมันมีอยู่อยู่แล้วนะคุณยมติวคือเขาไม่ได้ว่ามาหรือไปไหนคือเขาก็อยู่ที่นี่อก็คืออยู่อยู่ในภพภูมิอยู่ในสังสารวัฏเดียวกันเราอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นตั้งแต่พรหมยันถึงสัตว์นรกเนี่ยเป็นเพื่อนกัน ร, ร่วมแก่ร่วมเกิดร่วมเจ็ดร่วมตายคนะทีนี้ ว่าถ้าเราเห็นเนี่ยใส่เห็นปัจจัยอะไรในการที่เห็นทำไมบางคนเห็นบางคนไม่เห็น uh huh. นะอันนี้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงคุณธรรมคือคุณมีอุปกรณ์ไหมยอย่างนักวิทยาศาสตร์เขามีจ้องกล้องจุลทรรศเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้นะถ้าคุณสายตาสั้นหรือสายตา ย, ยาวมันก็แม้กระนั้นอ่านหนังสื อ, อยังไม่เห็นต้องเอาแว่นมาใส่แว่นนี่ก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์ของคุณที่ทําให้คุณเห็นชัดขึ้นนี่เป็นอุปกรณ์ภายนอกเรากําลังพูดถึงอุปกรณ์ภายในนั่นคื อ, อยานอย่างรู้ ยังอยากรู้นี่เกิดจากอะไรอุปกรณ์นี้สร้างมาได้ยังไงนั้นก็สร้างโดยอาศัยเหตุคือสมาธิกับศีลแต่ถ้าคุณมีสมาธิมีศีลมีสมาธินะเป็นวัตถุดิบเป็นอุปกรณ์เป็นวัตถุดิบในการที่จะสร้างอุปกรณ์คือเครื่องรู้เครื่องเห็นทาให้คุณเห็นสิ่งเหล่านั้นได้คือบางคนกลัวเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเห็นเพราะว่าเห็นแล้วมันก็กลัวเปล่าๆทาให้จิตเราแตกก็จะสมาธิก็ไม่มีด้วยซ้าก็จะไม่เห็นด้วยเลยอืะแล้ว ที่ดิฉันถามเข้ามาให้เราเห็นเป็นพิเศษเพื่อเหตุผลอย่างไรหรือว่าตอบแบบที่ท่านตอบเหมือนเดิมว่าเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วและเป็นชีวิตปกติของเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรคะนังคะที่มาเนี่ยอาจจะเป็นกรณีว่าในสมัยพุทธกาลก็มีนะคือมาขอส่วนบุญมาให้รู้ว่ามีมีอยู่จะได้ทําอะไรไปให้อย่างเงี้ยนั่นก็เป็นนัยยะหนึ่งก็ได้แต่นี้ไม่แน่เพราะว่าบางทีเขาก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วอย่างกรณีของท่านพระหมหาโมคลานะเนี่ย เห็นเนี่ยก็คือเขาก็เดินไปเดินมาของเขาอยู่แล้วท่านพระมาะะมงคลนะก็ไม่เห็นท่านเองคำถามสุดท้ายถามสั้นๆเยนะคะว่าถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าการปฏิบัติสมมติว่าท่านพูดถึงคนที่มีศีลดีอะไรดีเนี่ยนะคะก้าวหน้ากว่าคนที่ไม่เห็นหรือเปล่าค ะ, ะถูกต้องก้าวหน้าในเรื่องของศีนสมาธิแล้วก็ปัญญา ค่ะก็กล้ามหน้าขึ้นไปได้ถูกต้องนะคะงั้นวันนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวที่ติดค้างขออนุญาตไปถามวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาจํากัดวันนี้กราบขอบพระคุณท่านไพรบุญอภิปุโนจากวัปดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้กราบกก น, ก น, บาน้องการกันทั้งคะเชิญปานต้นฝั่งที่ครบครับนี้ก็คือรายการสร้นสนีสนทนานะคะว่ากันไปตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นและที่ฉนก็ เชื่อว่าเพื่อที่จะทำให้เราเกิดปัญญาสว่างขึ้นไม่ใช่เคลือบแคลงสงสัยในลักษณะที่ไม่เป็นความรู้แล้วก็ทำให้เราอาจจะเชื่อในทางที่ผิดผิดไปจากคำสอนของพระศาสดาไ ห, ไหนเป็นลูกศิษย์ตถาคตแล้วก็แสวงหาความรู้ที่แท้จริงให้ผ่านทางรายการสัญ น, นีสนทนากับดิฉันสัญ น, นีนาคพง์ทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวร้ย เรามีหนังสือพูททวจนะที่จะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นโชคดีได้พบกับคำพระศาสดาที่ตรัสไว้เป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคำที่ปลายปิดนะคะคือหมายความว่าพูดแล้วไม่มีทางที่จะพลาดไปจากาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตั้งใจเลยแม้แต่คราวเดียวกันในการพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะ ควรศึกษาอย่างยิ่งก็โทรศัพท์มาที่ 02-269-00-06 เพื่อที่จะขอหนังสือเล่มนี้ที่มีแจกให้ท่านวันละ3เล่มส่วนที่จะถามคำถามมาที่เบอร์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะไปที่ p e ียวธรม com slash ค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ ขอให้พุทธวจนะที่ท่านมีความรู้และนำไปปฏิบัตินั้นส่งผลให้ชีวิตของท่านพบกับความสวัสดีนะคะพุทธวันะสวัสดีค่ะ